เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่เจพฤศจิกายนพุทธศักราชสอง5ันเป็นวันพระวันธรรมสวนาะวันมาชัมละกายวาจาใจให้สะอาด ด้วยการทำบุญด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมพอะการทำให้กายวาจาใจสะอาดบริสุทธิ์เป็นเหตุที่จะนำมาสึ่งความสุขและความเจริญของจิตใจไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจเจริญ และมีความสุขได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้ารักษาศีลได้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอาบายดังไงอา น, นิสงส์ของศีลที่ได้แสดงไว้เบื้องต้นว่าสี่เลนะสุกติิยันติ ผู้มีศีลย่อมไปสู่สุคติสุคติก็คือที่อยู่ของมนุษย์ของเทว ข, ของพรหมของพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้ารักษาศีลไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่อบายคือที่อยู่ของเล ร, ระชานของเปรกของอสุลกายและของนรก ถ้าใครสามารถรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์คือรักษายิ่งกว่าชีวิตผู้นั้นก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายผู้ที่สามารถรักษาศีลได้ยิ่งกว่าชีวิตก็ต้องบรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะพระโสดาบันนี้จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเห็นว่าร่างกายเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจึงไม่สมควรที่จะไปทำบาปเพื่อรักษาชีวิตที่ไม่ใช่เป็นของเราสิ่งที่เป็นของเราก็คือใจใจต้องรักษาด้วยศีลห้าเพราะถ้าใจมีศีลห้าใจก็ไม่ต้องไปเกิดในอ บ, บาย ตายปั๊บก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้าไม่ได้ทําบุญไม่ได้ให้ทานแต่ถ้าได้ทําบุญให้ทานด้วยได้รักษาศีลด้วยก็จะไปเกิดในสวรรค์ก่อนจนกว่าอํนนานาจของบุญที่เกิดจากการให้ทานนี้หมดไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่เพราะจะมีอุปนิสัย ที่จะติดตัวมาด้วยไม่ว่าเราจะทำอะไรดีหรือชั่วจะเป็นอุปนิสัยติดตามตัวเราไปถ้าเราชอบทำบุญชอบรักษาศีลเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะชอบมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลใหม่โดยไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนเพราะมันเป็นนิสัยเหมือนกับ ที่เราถนัดมือซ้ายหรือมือขวาอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ติดมาจากพบต่างๆในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าเราถนัดมือขวาเราเกิดมาเราก็จะใช้มือขวาเราจะไม่ใช้มือซ้ายถ้าเราถนัดมือซ้ายเราก็จะใช้มือซ้ายไม่ใช้มือขวาจนันใดถ้าเราถนัดในการทำบุญรักษาศีล เข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเราก็จะถนัดเราก็จะทำอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสัง่งมาสอนถ้าเราถนัดในการทาบาปถนัดในการไปเสพอบายมุขต่างๆเราก็จะไปเสพอบายมุขต่างๆไปทำบาปต่างๆถึงแม้จะมีใครสอนใครห้ามไม่ให้ทำแต่จิตใจมันติด ฟังมาเหมือนคนติดยาเสกติดมันติดข้ามชาคนที่ติดยาเสกติดเพราะชากันก่อนเคยเสพยามาก่อนพอมาเกิดชาตินี้ได้เจอยาเสกติดอีกก็ติดอีกเจอสุราก็ติดเจอบุหรี่ก็ติดเจอการเล่นการพนันก็ติดเจอการเที่ยวกลางคืนก็ติดเจอการทำบาปก็ติดผู้ที่เสพอาบายอนุกแล้ว มักจะไปทำบาปต่อไปก็ เ, เป็นเหมือนพี่น้องกันมเมื่อทำแล้วพี่ทำแล้วน้องก็จะตามมาอาบายยมุคนี้เป็นเหมือนพี่เป็นตัวนำพอไปเล่นการประนานหมดเนื้อหมดตัวอยากจะเล่นต่ออยากจะได้คืนก็ไปโกหกหลอกลวงผู้เพื่อยืมทรัพย์สมบัติทรัพย์เหมนทองมาเล่นการประนานต่อถ้าเล่นหมดออกก็ต้อง ไปลักขโมยไปลักขโมยมาเล่นไปป้นไปจี้แล้วก็อาจจะถูกฆ่าตายได้นี่คือผลของผู้ที่ติดนิสัยที่ไม่ดีมาผู้ที่ติดนิสัยดีมาก็จะชอบทำบุญให้ทามีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็จะเอาไปทำบุญเพราะทำแล้วมีความสุขใจทำไม่มีความเมตตา ทำให้ไม่อยากจะทำบาปไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะรักษาสี่งห้าต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะไม่รักษาได้เท่ากับพระโสดาบันคือสามารถสละชีวิตเพื่อรักษาสิ่ได้ก็ตามแต่ก็จะเป็นอนิสงส์ติดตัวไปเพื่อให้ได้ปฏิบัติธรรมขั้สูงต่อไปก็คือได้นั่งสมาธิ ได้ศึกษาธรรมะจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาก็จะสามารถรักษาสิ้นได้ยิ่งกว่าชีวิตเพราะจะเห็นว่าศี้ น, นี้เป็นเหตุที่จะทําให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายยอมตายดีกว่าไปเกิดในอบายดีกว่ายอมทำบาศ แล้วต้องไปเกิดในอบายไม่คุ้มกันอยู่ไปก็อยู่แบบสุขสุดิบๆิทุกบ้างทุกบ้างสู้ตายดีกว่าตายด้วยการรักษาศีลตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์จะได้อยู่อย่างมีความสุขถ้าถ้าผู้มื้อทำบาปเพื่อป้องกันชีวิตของตัวเองตายไปก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรยบ้างไปเป็นเดชะฉานบ้างนี่คือความจริงที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ก็คือกฎแห่งกรรมนี่เองว่าทำบุญก็ไปสวรรค์ทำบาปก็ไปนรกไปอบายไม่มีใครเป็นผู้สั่งเราไปส่งเราไปมีการกระทําของเรงนี้เป็นผู้สั่งผู้ส่งเอาไป และไม่ต้องมีตำรวจมาคอยจับเราไปสวรรค์หรือจับเราไปนรกเพราะกฎแห่งกรรมมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะนารกสวรรค์ก็คือใจของเรานั่นเองใจของเราที่ทำบุญก็จะเป็นใจที่มีความสุขคิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีก็จะผลิตความสุขขึ้นมาในใจอามสุขนี้ก็คือสวรรค์ ถ้าทำบาป ก, ก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเผดิญความทุกข์ความรุ่มร้อนของจิตใจขึ้นมาความทุกข์ความรุูมร้อนใจนี้ก็เป็นนรกนรกและสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพหรือเชียงใหม่ที่เราต้องเดินทางไปกันแต่นรกและสวรรค์ น, นี้อยู่ในอกอยู่ในหัวใจของเรานารกในอกสวรรค์นในใจ เกิดจากการกระทําทางกายทางวาจาและทานใจโดยเฉพาะความการกระทําทางใจเพราะเป็นผู้ริเริ่มใจเป็นผู้คิดผู้สั่งแล้วก็ทาให้ร่างกายทําไปพูดไปผลก็จะเกิดขึ้นมาในใจ ท, ทันทีขณะที่ยังไม่ทําเพียงแต่คิดก็เกิดก็เกิดผลขึ้นมาแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ผล ผลนี้มันไม่มันไม่ยาวนานไม่เหมือนกับผลที่เกิดจากการได้ทําและได้พูดแล้วถ้าเพียงแต่คิดพอเราหยุดคิดผลก็หายไปเช่นเราคิดจะทําร้ายผู้อื่นพอเราหยุดคิดทําร้ายผู้่ความทุกข์ความรุ่นร้อนใจก็หายไปแต่ถ้าเราคิดแล้วแล้วไปทําร้ายผู้่ความทุกข์ใจก็จะดีเพิ่มมากขึ้นเพราะจะเกิดความกลัวขึ้นมา กัวว่าจะต้องถูกผู้อื่นเข้ามากระทํากับตงนี่คือเรื่องของนรกของสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ในใจของเราเราเป็นเทพเป็นนรกเป็นสวรรค์ตั้งแต่เรายังไม่ตายร่างกายเราอาจจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี้เป็นได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับการกระทาของเราถ้าเราทาบุญ ให้ทานรักษาเสียงใจของเราก็จะเป็นเทพทันทีไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนจึงเป็นใจของเรามีความสุขมีความน่มเย็นมีความสบายถ้าเรานั่งสมาธิได้ใจเราก็จะสงบก็จะมีความสุขของระดับพรหมขึ้นไปถ้าเราศึกษาฟังเทศฟังธรรมเจริญวิปัสสนาได้จนเห็นความจริง ของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นของเราเราก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปสู่ขั้นสกิรดาคามีขั้นอนนาคามีขั้นอาราหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เกิดจากการกระทมทางกายวาจาใจของเรา ที่เรียกว่าเป็นกุศลเป็นบุญนี่เองถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับความสุขก็จะมีมากขึ้นไปตามลำดับความทุกข์ก็จะมีน้อยลงไปตามลาดับจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยเมื่อได้สามารถปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดได้คือขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอาหารหันต์ทั้งหลาย จิตจะมีแต่บารมณ์มโมีแต่ความสุขอย่างเดียวเพราะดับความทุกข์ภายในใจให้หมดไปแล้วด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายกาลังมาปฏิบัติมาทำกันในวันนี้จิตใจของพวกท่านตอนนี้กำลังลอยสูง ข, ขึ้นไปตามลาดับ อยู่ที่ว่าเราจะรักษาให้มันอยู่สูงต่อไปได้หรือเปล่าพอออกจากวัดเราจะเอาศีลติดตัวไปกับเราได้หรือเปล่าหรือเราขอศีลเฉพาะเวลาที่เราอยู่ในศาลารนี้เท่านั้นรักษาเฉพาะเวลาที่อยู่ในศาลารพอออกไปก็ไปพูดโกหกกันไปหลอกลวงผู้อื่นไปรไปลักษรัพย์ของผู้อื่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดประเวณี ถ้าเราทำอย่างนี้จิตใจของเราก็จะตกลงมาทันทีในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้จิตของเราจะขึ้นขึ้ น, นลงลงตามอำนาจของการกระทำของเราถ้าเราคิดดีจิตก็จะขึ้นสูงพอคิดไม่ดีคิดทำบาจิตก็จะลงต่ําแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป บุญและกรรมที่บุญและบาปที่เราได้ทําในชาตินี้บวกกับบุญและบาปที่ยังเหลือจากชาติก่อนมาผสมกันก็จะมาบวกลบคูณหารกันดูว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงจิตให้ไปสวรรค์ไปรับผลบุญจนกว่าผลบุญนั้นจะมีเท่าจนกว่าบุญจะมีกําลังเท่ากับบาป ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะส่งให้เราไปนรกไปใช้กรรมในนรกจนกว่าบาปจะเหลือเท่ากับบุญเมื่อบาปกับบุญมีกำลังเท่ากันก็ไม่สามารถดึงให้ไปในทางใดทางหนึ่งได้ไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ไปนรกก็ไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาสร้างบุญสร้างบาปใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปมาอยู่ทุกภพทุกชาติแล้วถ้าไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าที่จะสอนว่าถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องมาหยุดเติมน้ำมันให้แก่ใจใจนี้เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าเราเติมน้ำมันให้กับรถยนต์อยู่เรื่อยๆ ร, ร, รถยนต์ันก็จะวิ่งไปได้เรื่อย ถ้าเราหยุดเติม น, น้ำมันแล้วพอน้ำมันหมดถังรถยนต์ก็จะวิ่งไปไม่ได้ฉนันใดใจของเราที่ยังไปเกิดในนรโลกหรือในสวรรค์อยู่ก็เพราะว่าเรามีน้ำมันคอยหล่อเลี้ยงจิตใจคอยสง่งขับให้จิตใจขับเคลื่อนไปน้ำมันของใจคืออะไรก็คือตันหาทั้งสาม ได้แก่กามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาถ้าตราบใดยังมีการเติมตัญหาอยู่เรื่อยๆยังมีความอยากในกามาตัญหาคืออยากในรูปเสียงกลิ่นลดอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหาและอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตัญหาถ้ายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจ ก็เท่ากับยังมีน้ำมันอยู่ภายในใจเมื่อยังมีน้ำมันอยู่ก็ต้องไปเกิดต่อไปไม่ว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นอะไรก็ตามยังต้องไปอยู่แต่ถ้าไม่มีน้ำมันหลงเหลืออยู่ในใจแล้วไม่มีตัณหาความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วพอได้ปฏิบัติธรรมขั้นวิปัสสนามีปัญญาเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่อยากและสิ่งที่อยากได้ก็ไม่มีคุณค่าอะไรเพราะไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นของเราตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะหยุดอยากหยุดอยากในลาบยศสรรเสริญหยุดอยากในรูปสิมงกิจลดโผฏฐัพพะเพราะรู้ว่าได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้สุขเดียวเดียว ความสุขได้เดี๋ยวเดียวข้อ ม, มันไม่เที่ยงต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆต้องหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆเวลาได้เงินมาก้อนหนึ่งก็ดี อ, อกดีใจแล้วเดี๋ยวก็หายไปอยากจะได้เงินก้อนใหม่มาเพิ่มได้อะไรมาก็ไม่อิ่มไม่พอดีใจเดี๋ยวเดียวสุขเดี๋ยวเดียวแล้วก็ต้องมาทุกขกับการมาหาใหม่ก็ะจะสะสมตัณหาความอยากให้มีเพิ่ม มากขึ้นไปเรื่อยๆก็เท่ากับเพิ่มภ พ, พชาติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่างวันนี้พวกเรามาตัดภบตัดชาติตัดการาะตันหากันผู้ที่ถือสิ่งแต่นี้เรียกว่าเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะมาตัดตดการละตันหาการาะตันหาเช่นอะไรเช่นการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการาะตันหาอยากจะเศษ รูปเสียงกลิ่นรสของผู้อื่นอยากจะอยู่ใกล้ชิดอยากจะสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสของผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการละตัญหาถ้าถือเสียแปะ ก, ก็วันนี้จะละเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้ก็เป็นการตัดการมาตันหาไปหนึ่งช่องอีกช่องหนึ่งก็เสียงข้อหช่องที่อยากจะกินอาหารอยากจะหาความสุขจากการ เดื่มจากการรับประทานอาหารก็ให้ตัดให้มันน้อยลงไปให้กินพอกับความต้องการของร่างกายคือไม่กินหลังจากเชี่ยววนไปแล้วร่างกายนี้กินมื้อเดียววันเดียวก็อยู่ได้ไม่ตายอยู่ได้24ชั่วโมงมุสบายรับรองได้รับประกันได้ถ้าใครอยากจะซื้อประกันภัยก็มาซื้อที่นี่ได้รับรองได้ว่ากินข้าวมื้อเดียวไม่ตายอย่างแน่นอน หรือถือศีลแปดแล้วจะไม่ตายอย่างแน่นอนไม่พร้อมด้วยนี่คือการปิดประตูอีกช่องหนึ่งของการละทางหาคือความอยากในรูปเสียงกินลดในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆถ้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มก็ดื่มเฉพาะน้ำเปล่าหรือน้ำปานะเช่นน้าผลไม้น้าคั้นผลไม้อย่างนี้ก็ดื่มได้ แล้วมาปิดอีกช่องหนึ่งก็คือการบันเทิงต่างๆการดูหนังฟังเพลงการร้องลัมทำเพลงการไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งกายให้สวยสดงดงามแต่งหน้าทาปากใส่น้ำหอมน้ำหอมต่างๆอันนี้ก็เป็นการมาตัญหาอีกช่องหนึ่งที่เราจะตัดถ้าเราถือสินสินข้อที่เจด ส่วนสินข้อที่8ก็จะปิดช่องของการหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปร่างกายต้องการพักผ่อนเพียงสี่ห้าชั่วโมงแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆพอตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากจะนอนต่อเพราะมันนิ่มมันสบายขี้เกียจไม่อยากจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมก็จะนอนต่อไปอีกสี่ห้าชั่วโมงทําให้เสียเวลาอันมีค่า ที่จะใช้ในการปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการไปมรรคผลนิพพานผู้ที่ต้องการไปเกิดเป็นเทพเปไปเกิดเป็นพรหมไปเกิดเป็นพระอาริยบุคคลจำเป็นจะต้องถือศีแปดเป็นอย่างต่ำสีห้านี้สำหรับผู้ที่ไปสวรรค์ชั้นเทพแต่ถ้าอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมอยากจะไปเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆก็ต้องถือสีแปด อย่างที่ท่านทั้งหลายที่มาถือกันในวันนี้แสดงว่าท่านมีเจตนาลงที่ต้องการตัดภพตัดชาติตัดการมาตัญหาเพราะไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่การถือศีลแปหรือศีล227เจ็หรือศีลสิบนี้ยังไม่พอที่จะตัดการมาตัญหาตัดภาวะทันหาและตัดวิภวะทันหาให้หมด ไปได้อย่างถาวรเพียงแต่กดเอาไว้เป็นเหมือนกําแพงกั้นไว้เท่านั้นศีลแปนี่เป็นเหมือนกําแพงกั้นตัวกลางลัตรทารหาไม่ให้ออกไปหาความสุขนอกกําแพงเรายังแต่มันยังดิ้นอยู่ได้มันยังอยากอ ย, กอยู่ในใจมันก็จะทําให้ใจเราทรมานเวลาถือศีลแปดพอถึงเวลาเย็นอยากจะกินข้าวขึ้นมาก็กินไม่ได้ ถ้าอยากจะไม่ทรมานจากการถือสิงแปลกก็ต้องฝึกนั่งสมาธิให้ได้จะฝึกนั่งสมาธิได้ก็ต้องฝึกสติก่อนต้องควบคุมความคิดที่จะไปคิดถึงเรื่องอาหารให้ได้ก่อนถ้าปล่อยให้คิดถึงเรื่องอาหารแล้วเดี๋ยวน้ำลายไหลทั้งๆที่ร่างกายไม่หิวแต่ใจมันหิวแทนถ้าเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องอาหารได้เราก็จะไม่หิว เช่นบังทับให้สวดมนต์ไปอย่างนี้สวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วก็พุโทโธกลับมาใช้พุโทโธสลับกันไปก็ได้พุโทโธไปสวดมนต์ไปพอนั่งหลับตาได้ก็พุโทโธต่อไปพอใจหยุดคิดได้ปั๊บความทุกข์ความหิวต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็จะเย็นจะสบายมีความอิ่มมากกว่าได้กินอาหารเย็นสิ เพราะความอิ่มใจนี่มีพลังมากกว่าความอิ่มกายนั่นเองความอิ่มกายถ้าใจไม่อิ่มนี่อิ่มเดี๋ยวเดียวบางทีไม่ถึงชั่วโมงก็หิวอีกแล้วพอคิดถึงอาหารเห็นขนมเห็นอะไรขึ้นมาก็หิวขึ้นม า, นม า, ท, าทันทีแต่ถ้าสามารถทําใจให้สงบได้แล้วใจจะไม่หิวแม้จะต้องอดอาหารมือเย็นหรือไม่ได้รับประทานอาหารทั้งวันเลยก็ตาม ใจจะไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความอิ่มมีความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่นี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามันจเจริญสติแล้วนั่งสมาธิให้มากๆพอใจของเราสงบก็จะเป็นพงเลยจะสูงกว่าเทพิเทพนี้ยังมีความหิวในรูปเสียงกลิ่นรสเทพนี้ถือสิงแปดยังรู้สึกทรมานใจ แต่พรมือสินแปะแล้วไม่สมานไม่ทรมานใจเพราอใจสงบเพราอใจมีสติมีสมาธิคอยควบคุมความความหิวไว้แต่พอออกจากสมาธิมาเราพอเริ่มคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความหิวขึ้นมาได้ทันทีดังนั้นเพิ่งออกมาจากสมาธิใหม่ๆถ้าไปคิดถึงอาหารก็หิวได้ทันทีก็ต้อง แก้ด้วยการหยุดความคิดก็คือต้องพุโทโธต่อไปหรือสวดมนต์ต่อไปแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่หลังจากที่ได้มาผ่อนคลายเอริยาบทที่นั่งนานๆแล้วเกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมาบริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไปหรือสวดมนต์ต่อไปจนเดิน เดินจนเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่เข้าไปในความสงบให ม, ม่ความหิวก็จะหายไปอันนี้คือวิธีต่อสู้กับการมาต่างหาด้วยการนั่งสมาธิสลับกับการเจริญสติในขณะที่ออกมาจากการนั่งสมาธิไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องพุทโธไปตลอดเวลาอย่าให้คิดถึงอาหารแล้วจะไม่หิวหรือถ้าเราอยากที่จะ ดับความหิวอย่างถาวรถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความหิวของใจนี้เป็นโทษเพราะเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องรับประทานอาหารเพราะร่างกายนี้เขาพออยู่แล้วเขาไม่ต้องการอาหารถ้าสอนใจอย่างนี้เดี๋ยวใจก็จะหยุดรับประทานอาหาร พราะหยุดหิวหยุดอยากรับประทานอาหารเพราะไม่อยากจะทุกข์นั่นเองหรือเวลาอยากจะรับประทานอาหารคิดถึงอาหารที่อยู่ในจาน<ม>ก็เราต้องคิดอาหารที่อยู่ในปากอาหารที่อยู่ในทอ้องอาหารที่อยู่ในลําไส้อาหารที่ออกมาจากทวารหนักถ้าเราคิดอย่างนี้ความหิวอยากจะรับประทานอาหาร มันก็จะหายไปหมดไปแล้วต่อไปมันจะไม่หิวไม่อยากกับการรับประทานอาหารถ้าจะรับประทานอาหารก็รับเฉพาะรับประทานเป็นเหมือนยาถ้ายังไม่ถึงเวลาก็จะไม่รับประทานคนที่มีวิปัสสนาเจรอาหารเลยปฏิปูนและสัญญาได้ก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องการรับประทานอาหารไม่มีความหิวกับการรับประทานอาหารต่อไปรับประทานอาหาร ก็รับประทานเพื่ออยู่เป็นเรับประทานยาเท่านั้นนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาจเจริญวิปัสสนาภาวนาเราจะดับกามาทันหาในรูปแบบต่างๆได้นี่ก็เป็นเพีงรูปแบบหนึ่งคืออาหารรูปแบบอื่นเช่นการอยากจะร่วมหลับนอนกับผู้ ก็ต้องพิจารณาอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายร่างนี้มีทั้งส่วนที่สวยงามและส่วนที่ไม่สวยงามเราเห็นแต่ส่วนที่สวยงามเราไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงามเพราะถูกผิวหนังถูกเนื้อถูกผิวหนังหุ้มห่อเอาไว้เราก็ต้องนึกถึงภาพที่อยู่ภายใต้ผิวหนังภายใต้เนื้อบ้างว่ามีอะไรเช่นไปดูเขาผ่าศพ บ, บ้าง เวลาคนตายแล้วเวลาผ่าศพแล้วดูเข้าไปข้างในว่ามีอะไรบ้างเราก็จะเห็นกะโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นลำไส้เห็นอะไรต่างๆพอเราเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเราเห็นคนสวยคนหล่อเราก็จะนึกถึงตับไตไส้พมงของเขานึกถึงโครงกระดูกของเขานึกถึงลำไส้ ลึกถึงหัวใจปอดตับต่างๆก็จะทำให้เราไม่มีการอาลงดับการอามลงได้นี่ก็เป็นอุบายวิธีของศาสการดับกามาันหาด้วยการปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาที่จะเป็นเครื่องมือในการดับความอยากต่างๆทั้งหลายให้หมดไปจากใจของเราเป็นการหยุดเติมน้ำมัน ที่จะเป็นเชื้อพบของการเหวียว่ยงไหวตายเกิดเพราะเมื่อไม่มีการมาตัญหาไม่มีภาวะตัญหาไม่มีวิภาวะตัญหาแล้วใจก็เหมือนกับไม่มีน้ำมันรถเหมือนรถที่ไม่มีน้ำมันเมื่อไม่มีน้ำมันรถก็วิ่งไม่ได้เมื่อใจไม่มีตัญหาใจก็จะไม่อยากไปไหนก็อยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับความสง บ, บสอยู่กับปรมณสุบอยู่กับปรมังสุญ อยู่กับความาว่างเพราะไม่มีความอยากมีอยากเป็นอยากได่ อ, อะไรนี่แหละคือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดเพื่อที่เราจะได้ตัดบภพบตัดชาติให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจของเราเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ว่าจะเกิดสูงขนาดไหนก็ตามก็ยังต้องมีความเสื่อม เกิดเป็นพรหมก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นเทพเกิดเป็นเทพก็ต้องเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือหยุดความอยากเสียให้ได้แล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปด้วยการรักษาศีลในวันพระเช่นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นทาบุญให้ทานก่อนแล้วก็มารักษาศีล ถ้ารักษาศีลห้าได้ก็ให้รักษาศีลแปแล้วก็ปฏิบัติทมนั่งสมาธิเจริญปัญญาขัดเกากิเลสตัณหาความอยากให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปและให้หมดไปในที่สุดนี่คือหน้าที่ของพวกเรางานของพวกเราพระพุทธเจ้าจึงต้องทรงบัญญัติวันพระเอาไว้ให้เราได้มีเวลาแบ่งมาทำงานของเราสักวันหนึ่ง ให้เราลองลิมรดผลของงานที่เรากระทำเพราะถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบความสุดแล้วจะทำให้เราอยากจะปฏิบัติมากขึ้นไปเองต่อไปเราก็จะทิ้งงานต่างๆไปหมดเอางานเดียวก็คืองานชำระกายวาจาใจให้สะอาดถ้าเราเทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราให้กับการงานนี้เพียงอย่างเดียวไม่นาน จ, จิตใจของเราก็จะสะอาดบอยสุด หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องของการมาวัดมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดจึงขอฝากให้ท่านได้นำเอาไปพิพจารณาและปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้